BOOK 2 7เจ็ดสิห้าเหตุผลบางประการเบื้องหน้าหนูทำไมคุณไมมาคะวุ่นฟอร์ค m มเอากาศแย่มาก ว่าระอะ so ดรลีดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากฉันไม่มาเพราะอากาศแแย่มากรัาไม่มาเพราะขาไา้รับ่มิญ ทำไมคุณไม่มาคะว่ารูปคุ้มรูปอีกดิฉันไม่มีเวลาฉันไม r มาเพราะไมฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลาฉัน e ม่มาเพ a า i ไม่ ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะดิฉันยังต้องทำงานค่ะดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ ikkje ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะวุ่นฟอร์กูร์ด l t n ล ดิฉันเหนื่อยค่ะ j ั g är trött ดิ่ฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ går, ทำ g มคุณจะไปแล้วล่ะ t ทำไมคุณจะไปแล้วละ่ะคะทำไแล้ว่ะคะทำแล้ว่ะคทำแล้ว่ะ Det är sent จะไปนะจะไปแล้วะคึกแล้ว่ค่ะ